m วันนี้พวกเราหลายคนนะก็ได้ไปปลูก ป, ป่าที่ผู้หลงนะเป็นการร่วมเปิดนะฤ ด, ดูปลูกป่าของผู้หลงนะอย่างเป็นทางการปีนี้การเปิดฤ ด, ดูปลูกป่าอาจจะล่าช้าสักหน่อยนะเมื่อเทียบกับปี ก, ก่อนๆเพราะว่า ฤดูฝนมาช้าแต่ถึงจะมาช้านะการปลูกป่าในวันนี้ก็เรียกว่าทําได้อย่างจริงจังมากมีคนมาร่วมก็ประมาณสี่ห้ารคนได้จากหลายที่ทั้งไกลและไกลอโดยเพราะจากมิสหายเครือบริษัทแปลน ซึ่งมาปลูกป่าที่ปูหลงนี่ครั้งนี้เป็นครั้งที่13แลาวหรือว่าเป็นปีที่ส3บสาถึงแม้ว่าที่ปลูกไป12ปีจะถูกไฟเผาผลานไปมีใช้น้อยนะอาจจะเรียกว่าราบเปตี่ยนไปเลยก็ได้นะแต่ก็ไม่มีวิวแวงความท้อถอยนะ ไม่มีวิแววของความรู้สึกท้อแท้ว่าพุทธาปูกันมาสิบสองปีแล้วก็ถูกไฟเผาผลาญภายในชั่วแค่วันสองวันเท่านั้นแหละบางคนมาปลูกป่าเนี่ยคิดว่าสิบครั้งได้เนี่ยหรืออาจจะเกินด้วยซ้ำมาตั้งแต่ สมัยผู้หลงศาลายัางเล็กๆอยู่นะจำได้ว่ามาพูดคุยนะวางแผนกันเรื่องการปลูก ป, ป่าจนวันนี้ก็เปลี่ยนศาลาไปแล้วแล้วก็อะไรตอนแ้กก็เปลี่ยนแปลงไปมากนะก็ยังมามาทุกปีปีแล้วปีเล่านะก็ก็ยังจะมาอีกนะโดยที่ไม่มีนะแววตาของความท้อถอยหรือความรู้สึกว่า ไอ้ที่ผ่านไปมันศูนย์เปล่านทะี่จริงมันก็ไม่ได้ศูนย์เปล่านะเพราะว่าถ้าเราสังเกตพื้นที่ที่เราไปปลูกป่าวันนี้เนี่ยเมื่อสองเดือนก่อนเนี่ยมันเต็มไปด้วยสีดำเลยนะสีดำของขมเหมาและเท่าทานไม่มีแท่ไม่มีสีเขียวหลงเหลือเลย เป็นบรรยากาศของความตายก็ว่าได้คือต้นไม้แล้วก็สิงสารสัตว์จำนวนไม่น้อยก็ตายมันดำไปหมดเลยไอ้ตรงที่เราไปปลูกเนี่ยนะที่เรียกว่าไทยเลยแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะไอ้สีดำของขามาและเท่าฐานมันก็เลือนหายไปเยอะแล้วมันมีสีเขียวนะผุดขึ้นมาเต็มผืนป่าเลยเป็นเขียวของ ต้นไม้ที่เขาแตกหนอ่อที่เราเคี่ยวเขาตายไปแล้วเนี่ยถูกไฟถูกไฟเผาจนดาเป็นตอตะโกนะวันนี้เราก็เห็นนะเขาแตกหน่อออกมานะเขียวไปเต็มพื้นที่ส่วนหนึ่งก็เป็นเขียวของถั่วนะที่เพื่อนๆของเรานะมาช่วยกันปลูกมาช่วยกันยอดมาช่วยกันหวาน เราขึ้นมาอีกส่วนนี่ก็เป็นเขียวของยญ้าคาย้าพงต้นไม้ที่แตกนอนะก็เชื่อว่าหลายต้นทีเดียวยาจานวนไม่น้อยเนี่ยก็คือต้นไม้ที่เราเคยมาปลูกเอาไว้ในช่วงสิบสองปีที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะดำโดนต่อดับโกแต่ไม่ตายนะไม่เขาไม่ตายนะ ก, ก็พยายามที่จะ แตกหนอก่อหยัดยืนขึ้นมาใหม่บรรยากาศของวันนี้เนี่ยมันแตกต่างกับเมื่อสองเดือนที่แล้วนะสองเดือนที่แล้วเนี่ยวันที่สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดยี่สิบเนี่ยเมษาป่านี่เหมือนกับตายไปแล้วนะมันดําดําสนิทดํำมืดไปหมดเลยเป็นพื้นที่เนี่ยเป็นร้อยเป็นพันไร่แต่วันนี้เนี่ยนะบรรยากาศมันเป็นบรรยากาศของชีวิตนะ เป็นของปรรยากาศของชีวิตนสีเขียวเป็นหมายถึงสีของชีวิตผู้หลงไม่ได้ตายนะนะกลับฟื้นขึ้นมาใหม่ที่ผ่านมาก็เรียกว่าแค่เจ็บแค่ป่วยนะแต่ว่าไม่ถึงตายตอนนี้เราก็เห็นพลังชีวิตนะของผู้หลงนะทีะ่แสดงให้เราเห็ น, นจากสีเขียวที่เราเห็นเต็มพื้นที่เลยและที่เรามาปลูกเนี่ยก็เป็นการมาช่วย เนะยียวยาเขานะช่วยเยียวยาผู้หลงให้กลับมามีความเข้มแข็งและถ้าเรามีเรียกว่าสัมผัสรับรู้ด้วยใจเนี่ยเราจะรู้สึกถึงความแตกต่างได้เลยนะเมื่อสองเดือนที่แล้วกับวันนี้นะสองเดือนที่แล้วเนี่ยถ้าเราสามารถจะสัมผัสนะถึงความรู้สึกของผู้หลงก็ คงจะรู้สึกเศร้ารู้สึกถึงความเจ็บปวดรุ่ดร้าวเพราะว่าผู้หลงไม่เคยมาอยู่ในสภาพแบบนี้มาก่อนะมีแต่เป็นผู้ให้ตลอดให้น้ําให้อากาศให้ปัจจัยสีให้หน่อไม้ให้เห็ดให้อะไรอะไรสารพัดแก่ชาวบ้านผู้หลงนี่ให้ตลอดเลี้ยงผู้คนมาจนหมู่บ้านเติบใหญ่คนก็มา พักพิงมาพักอาศัยตามรุ่มน้ำนะก็เป็นก็เลยหลายร้อยแต่เมื่อสองเดือนก่อนเนี่ยผู้หลงมันก็ว่าคนที่ถ้าเทียบเป็นคนก็เหมือนคนที่ล้มป่วยใกล้าตายต้องรอรับการช่วยเหลือนะของผู้คนซึ่งก็มีหลายคนนะก็มีน้ำใจนะมาช่วย คนละไม้คนละมือเพื่อเยียวยานะผู้หลงมันก็เหมือนกับว่าตกอับนะผู้หลงเนี่ยอยู่ในเพระที่ตกอับเหมือนกับเศรษฐีที่เคยร่ำรวยนะให้นะเอื้อเฟื้อผู้คนมาตลอดนะช่วยเหลือคนอนาถายากไร้จนพึ่งพาหรือว่าจนตั้งตัวได้แล้ววันดีคืนดีก็กลายเป็นคนอนาถานนะตกอับนะผู้หลงก็อยู่ในสภาพเช่นนั้นแหละนะถ้าเราสัมผัส นะความรู้สึกของผู้หลงได้โดยใจแต่วันนี้เนี่ยนะถ้าเรานะรับรู้ได้ก็คงจะสัมผัสถึงความยินดีความปรีดาความปราโมทความรู้สึกมีกำลังวังชาขึ้นมาใหมนะ่ซึ่งพวกเรานี่ก็เข้าไปช่วยเสริมนะสิ่งที่เราทำในวันนี้ก็เป็นความพยายามที่จะเยียวยานะผู้หลงให้กลับมามีนะ ความเข้มแข็งเพื่อที่จะเป็นผู้ให้อีกครั้งหนึ่งหลังทิหลังจากที่ให้มาตลอดนะช่วยชีวิตของเขาเป็นการเยียวยาที่เป็นประโยชน์ต่อชาวบ้านด้วยชาวบ้านจำนวนมากก็อาศัยได้พึ่งพาภูหลงในฐานะที่เป็นต้นน้ำในฐานะทีะ่เป็นแหล่งที่ให้ปัจจัยสีแก่ชาวบ้านนะแล้วมองไป ในภาพรวมเนี่ยนะมองไปอย่างกว้างๆเนี่ยมันก็เป็นส่วนในในการที่ทำให้โลกเนี่ยกลับมานะมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นโลกเนี่ยโดยรวมก็กำลังจะตายนะเพราะว่าธรรมชาติถูกทำลายไปเยอะแล้วก็เกิดวิกฤตกันณ์ท่วนหน้านะภาวะที่เรียกว่าโลกร้อนเนี่ยนะมันก็แสดงความป่วยไขย่เกือบจะถึงวิกฤตแล้วนะของโลก และสิ่งที่เราทำในการเยียวยานำสีเขียวกลับคืนสู่ภูหลงเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งการที่จะช่วยนะทำให้โลกของเราเนี่ยกลับมามีสุขภาพดีครั้งหนึ่งและในแง่ของชาวพุทธเนี่ยน ะ, ะสิ่งที่เราได้ทำเนี่ยมันก็มีส่วนนะในการรักษาธรรมหรือว่ารักษาศาสนาเอาไว้ อย่างที่พูดไว้ตอนเช้านะว่าการปลูกป่าการรักษาป่าก็คือการรักษาธรรมนะเพราะว่าธรรมะในพุทธศาสนาเนี่ยแยกไม่ออกจากป่านะตั้งแต่สมัยที่พระเจ้ายัางทรงพระชนชีพนะสืบเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน2 0 0พกว่าปีนะคำสอนที่ออกมาจากพระสงค์องค์ขเจ้านะผู้ปฏิบัติทีปฏิบัติชอบหรือพระริยเจ้าเนี่ย นะท่านก็อาศัยป่านะอาศัยป่านี่เป็นที่ฟูมฟักนะธรรมะให้ปรากฏสว่างสวัยในจิตใจของท่านนะป่านี่มันจึงไม่ใช่เป็นแค่ต้นกำเนิดของลำธารที่หล่อเลี้ยงผู้คนนะแต่เป็นต้นกำเนิดของสายธานธรรมนะที่หลายหลังนะมาจนถึงคนรุ่นเรานะในทุกวันนี้และถ้ามีป่าต่อไปนะ ให้พระสงฆ์องค์เจ้าหรือว่าผู้ปฏิบัติธรรมมาปฏิบัติก็ทาให้รมเนี่ยนะก็ยังคงสืบทอดแล้วก็สืบต่อไปยังอรุชนรุ่งหลังได้อย่างที่พวกเรามาที่นี่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นพระแม่ชีโยมมาที่ป่าสุกโตเราก็อาศัยป่าสุกโตหรือธรรมชาตินี่แหละนะในการ จเจริญภาวนาเพื่อให้เกิดความสงบและความสว่างนะในจิตใจอันนี้ก็เป็นวิธีการสืบทอดศาสนานะที่สำคัญนะไม่จำเป็นต้องไปปกป้องน ะ, ะให้พ้นจากอันตรายจากศัตรูอะไรนะะเพียงแค่รักษาธรรมะในใจเราให้จเจริญงอกงามเนี่ยมันก็ช่วยทำให้ศาสนาพุทธเนี่ยนะ มีความเข้มแข็งนะสืบทอดต่อไปนะถึงอนาคตนะว่าเฉพาะพวกเราเนี่ยซึ่งเป็นลูกศิษย์นะของหลวงพ่อคำเขียนนะทั้งโดยตรงแล้วก็โดยอ้อมนะการที่เราไปร่วมกันปลูกป่าเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์นะหรือมรดกธรรมของหลวงพ่อคำเขียนด้วย หลวงพ่อได้เคยพูดเอาไว้นะว่าชีวิตของท่านที่เหลือเนี่ยส่วนหนึ่งก็เจดให้กับการอนุรักษ์ป่ารักษาธรรมชาติอีกส่วนหนึ่งก็เจดให้กับการส่รงเสริมพระธรรมหรือการปฏิบัติธรรมเนะชื่อท่านมีสองซีกนะซีกหนึ่งเป็นซีกของการรักษาธรรมชาติ อีกส่วนอีกสิ่หนึ่งก็เป็นสี่ของการรักษาธรรมหรือว่าส่งเสริมการปฏิบัติธรรมนะท่านก็เลทุมเทให้การรักษาป่านะไม่น้อยกว่าการที่สอนทมให้กับลูกศิษย์ลูกหาทั้งพระแล้วก็ญาติโยมหลวงพ่อท่านเคยกล่าวว่าเนี่ยป่าเนี่ยนะมันเป็นมิต่ซื่อสั์สุดจริตที่สุดของมนุษย์ ถ้าเราอยู่ป่าเป็นเนี่ยแม้กระทั่งสัตว์เนี่ยนะมันก็เป็นมิตรแล้วก็มีความจริงใจให้กับเรานท่านมีความผูกพันกับป่ามากท่านบอกว่าเนี่ยการที่ได้อยู่ป่าเนี่ยนะมันเป็นความสุขนะท่านได้พบสิ่งงดงามเนี่ยก็จากการที่ได้อยู่ท่ามกลางป่าความงดงามนะมันไม่ได้ไป สัมผัสที่ไหนนะอยู่ในป่าเนี่ยท่าบอกเวลาฝนตกเนี่ยนะท่านก็เห็นปา่าเห็นต้นไม้เนี่ยมันเต้นรําใบไม้ของต้นไม้ที่พลิ้วนะยามที่สายลมหรือสายฝนเนี่ยพัดผ่านเนี่ยมันเหมือนการฟ้อนรนํานะท่านดูแล้วท่านก็เพลิ น, เ, นเป็นความเพลิดเพลินทีอ่อัตมาคิดว่าเป็นความเพลิดเพลินอย่างเดียวกับที่พระอรหันต์ในสายพุทธการเนี่ย นะท่านได้สัมผัสรับรู้ในพระไตรปิฎกเนี่ยจะมีมีส่วนหนึ่งที่เรียกว่าเทรคาถ า, าแล้วก็เทรีคาถาเป็นคาถาของพระเทระพระเทรีที่เป็นพระอระหันต์ก็มีหลายท่านเนี่ยก็จะพูดถึงความรู้สึกที่ได้อยู่ท่ามกลางป่าที่สงบสงัดนะแล้วท่านมีความสุขมากท่านก็เอ่ยหรืออุทานมาแล้วก็มีการบันทึกเอาไว้นะเป็นความ เป็นความสุขเป็นความปรีดาปราโมทที่ได้อยู่ท่ามกลางป่าก็นะได้พบเห็นกับธรรมชาตินะทั้งสายธารทานะทงภูเขาทั้งสัตว์แมลงต่างๆหลวงพ่อคำเขียนเนี่ยตอนที่ท่านอยู่ป่าสมัยสุกโตทีท่ยังไม่ค่อยมีคนนะสัก30สปีที่แล้วเนี่ยคนไม่ค่อยเยอะนะและป่าก็ยังคลาวคลาดจาก คนที่มารักรอบตัดหรือมาล่าหญิงสัตว์หรือว่าแคล้วคลาดยังไม่มีอันตรายจากไฟมาคุกคามเนี่ยสามสบกว่าปีก่อนเนี่ยนะก็มีแม้กระทั่งกวางหมูป่านะซื้ อ, อช้างยังมีเลยนะช้างยังมีเลยประมาณปีสองสามก็ยังมีช้างอยู่ฟูงหนึ่งนะแต่ว่าถูกชาวบ้านไล่ยิงนะเพราะว่ามามา กินข้าวโพดนะบริเวณตรงนี้แต่ก่อนเป็นไร่ข้าวโพดของชาวบ้านนะหอไตรเนี่ยเป็นไร่ข้าวโพดแล้วก็ตะหลังช้างมากินข้าวโพดแล้วก็ชาวบ้านก็เลยยิงช้างก็บาดเจ็บไปตัวหนึ่งที่เหลือนี่ก็คอยเรียกว่ า, าพยุงนะมีช้างตัวสองสาตัวเนี่ยขนาบนะขนาบข้างแล้วก็พยุงเพื่อนที่บาดเจ็บเนี่ยหายเข้าไปในปา่าลึก ก็คงจะไปไปที่ทุ่งกำมังัมั้งเขตรักษาพันสัตว์ป่าภูเขียวแล ะ, ะแต่นั้นเนี่ยก็ไม่มีช้างเหลือเลยนะแล้วก็สัตว์ใหญ่ก็หายไปแต่ตอนนั้นเนี่ยหลวงพ่อท่านอยู่คนเดียวอยู่วิเวกนี่ท่านก็ได้เห็นความงดงามธรรมชาติมันไม่ใช่แค่ความรื่นรมนะที่ธรรมชาตินะที่ป่าสุกโตให้กับท่านนะ แต่ยังให้อะไรที่มีคุณค่ามากกว่า น, นั้นหลวงพ่อท่านเคยบอกว่าเนี่ยป่าเนี่ยนะให้คำตอบเกี่ยวกับปัญหาชีวิตของท่านถ้าหมอปัญหาชีวิตของท่านหลายอย่างเนี่ยท่านไม่ได้ท่านไม่ได้ท่าน ไ, ไ, ไม่ได้ค้นพบคำตอบเนี่ยที่กุฏินะหรือว่าในที่ไหนๆ น, นะแต่ว่าท่านพบนะจากการที่ได้อยู่ปา่าบางทีก็นั่งนั่งอยู่ในปา่าหรือว่าพิงเสาเนี่ยพิจารณาธรรมชาติ ท่านก็พบคำตอบนะของชีวิตหลายๆข้อนะซึ่งมีประโยชน์อันนี้ก็คือเหตุผลหนึ่งที่ทำให้หลวงพ่อนะท่านรักษาป่าสุกโตเอาไว้นะทั้งนั่งที่ลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อคาเขียนส่วนใหญ่หรือแทบทั้งหมดเนี่ยก็มุ่งสอนทำเนี่ยในเมืองหลวงพ่อเทีย น, นยก็เน้นหนักไปเรื่องการสอนทรรมในเมือง ตอหลวงพ่ อ, อเขียนเป็นลูกศิษย์ที่แตกต่างจากท่านอื่นนะั้นท่านพอใจที่จะมาอยู่ป่าส่วนหนึ่งก็เพราะว่าท่านเห็นว่าอยากจะรับผิดชอบเกี่ยวกับธรรมชาติเพราะเห็นธรรมชาติถูกทําลายนะท่านอยากอุทิศชีตเพื่อธรรมชาติอีกส่วนหนึ่งก็เพราะาท่านเห็นว่าป่าเนี่ยมันเป็นที่ที่เหมาะนะเป็นที่เหมาะการทํากิจพิเศษกิจพิเศษก็คือการศึกษาปฏิบัติธรรม เพระท่านเชื่อว่าการมาปฏิบัติธรรมเนี่ยในป่าเนี่ยจะช่วยทําให้ผู้ปฏิบัติได้พ้นขัตอบเกี่ยวกับชีวิตนะอย่างที่ท่านได้ได้พบมาแล้วลุงพ่อท่านบอกว่าตะกอนเนี่ยท่านก็เหมือนกับคนทั่วไปนะเป็นชาวบ้านที่ก็ไม่ได้สนใจเรื่องการรักษาป่าเป็นชาวนาวชาวไร่ก็ถางป่าหรือว่าตัดต้นไม้ตามหัวไร่ป่านา ทั้งตัดทั้งเผานะไม่ได้รู้สึกห่วงแหนหรือว่าห่วงใยธรรมชาติเลยแต่พอท่านได้ศึกษาธรรมนะเริ่มต้นที่ป่าพุทธยานนะที่หลวงพ่อเทียนท่านได้ดเริ่มเอาไว้เมื่อปีหนึ่งศูนย์นะนะแล้วพอท่านได้เข้าใจธรรมะรู้สมมตินะเข้าใจเรื่องรูปนามเนี่ยถ้าบอกว่ารักธรรมชาติมากแล้วแต่นั้นมาก็รักธรรมชาตนะิแล้วก็ อยากจะรักษาต้นไม้เอาไว้ท่านไม่ได้รักษ า, อาเองด้วนะท่านปลูกด้วยนะหลวงพ่อท่านทั้งทั้งพาะก้าทั้งปลูกต้นไม้เวลากลับจากอสอนธรรมะในที่ไกลๆท่านกลับมาท่านก็จะมาดูต้นไม้ที่ท่านเพาะเอาไว้หรือต้นไม้ที่ท่านนำมาลงต้นไม้ต้นไหนที่เหี่ยวแห้งท่านก็ช่วยพยาบาลช่วยรักษา บางทีเดินไปในป่าเห็นต้นไม้เนี่ยก็โค้นลงนะแล้วก็ถ้าอย่างพอช่วยได้ท่านก็ช่วยท่านบอกว่าเนี่ยต้นไม้มันมันร้องขอความช่วยเหลยอยือาท่า น, นบางทีท่านช่วยเสร็จฉันก็ดินต้นไม้เหมือนกับพูดว่าเนี่ยขอบคุณหลวงพ่อจังเลยนะที่ช่วยพวกผมเอาไว้นะถ้าหลวงพ่อมาช้าก็นี่ผมก็ต้องตายแน่อันนี้เป็นความระ้สึกที่ท่านสัมผัสนะจากต้นไม้และท่านจะมีเซนพิเศษนะเกี่ยวกับต้นไม้ ถึงกับท่านรู้สึกว่าต้นไม้เนี่ยมันมีความรู้สึกได้นะเวลาฟันต้นไม้เนี่ยต้นไม้เนี่ยท่านก็เชื่อว่ามันอาจจะรู้สึกได้นะเพราะมันมีเหมือนมันมีความสกเจ็บปวดนะเมื่อคนเนี่ยเวลาถูกฟันถูกแทงเนี่ยมันก็จะมีเลือดไหลต้นไม้มันก็จะมียางไหลออกมาท่านรู้สึกว่าต้นไม้เนี่ยสามารถจะอาจจะรู้สึกถึงความเจ็บปวดได้เพราะนั้นท่านก็เลยพยายามจะช่วยดูแล ร, รักษาต้านไม้ ไม่ใช่เพื่อต้นไมอ้อังเดียแต่เพื่อประโยชน์ของผู้ปฏิบัติธรรมด้วยนะเพราะว่าอย่างที่บอกนะการมาปฏิบัติธรรมในป่าเนี่ยทำกลางธรรมชาติเนี่ยก็อาจจะช่วยทาให้ได้ค้นพบคำตอบของชีวิตหรือว่าได้เข้าใจสัจธรรมเพราะจริงๆแล้วเนี่ยสัจธรรมหรือธรรมะเนี่ยกับธรรมชาติมันไม่ได้แยกจากกันนะหลวงพ่อท่านเคยพูดเอาไว้ ว่าธรรมะเนี่ยที่จริงคือตัวธรรมชาตินี่แหละนะไม่ได้แยกต่างหากจากธรรมชาติเลยท่านก็บอกว่าเนี่ยคนเราเนี่ยอาจจะบรรลุธรรมได้จากการที่สังเกตธรรมชาติอันนี้ก็เป็นข้อความที่ท่านท่านได้พูดเอาไว้แล้วก็มีคนนะมาเขียนนะบันทึกไว้ในเป็นอ่าเป็นข้อความในแผ่นไม้นะตรงที่ อ่าสาลานอกเนี่ยาลาน้าเนเราก็ลองไปอ่านดูนะอันนี้อ่าเป็นการย้ำว่าธรรมะธรรมชาตินี่มันเป็นเรื่องเดียวกันอ่ารู้ธรรมะก็คือการเข้าใจธรรมชาตินะหรือเข้าใจกฎธรรมชาตินะไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปนามไม่ว่าจะเป็นเรื่องอานิจจังทุกขงกังอนัตตาพวกนี้มันเป็นเรื่องที่เราสามารถจะเรียนรู้ได้จากธรรมชาติ และสิ่งที่ธรรมชาติบอกเราเนี่ยมันก็ทำให้เราเห็นความจริงเกี่ยวกับตัวเราเองนะการปฏิบัติธรรมนเจริญสติปัฏฐานนะโดยพ่อการมาพิจารณากายใจเนี่ยสุดท้ายก็จะเข้าถึงสัจธรรมที่ไม่ได้แยกขาดจากธรรมชาติเป็นเรื่องเดียวกันทั้งนั้นมีพระเรี บ, บางท่านเนี่ยพอท่านบรรลุธรรมเสร็จท่านก็ได้พิจารณาแล้วโอ ให้ธรรมชาติภายนอกกับธรรมชาติภายในนี่ก็คืออันเดียวกันตอนนี้ท่านยังไม่บรรลุธรรมเนะี่ยท่านก็ถามตัวเองว่าท่านอย่างไรเนอนะจึงจะเห็นว่าธรรมชาติภายในกับธรรมชาติภายนอกนี่เป็นอันเดียวกันธรรมชาติภายในเนี่มันก็ได้แก่เนี่ยดินน้ำลมไฟที่เกาะขึ้นมาเป็นรูปแล้วก็ท่าต่างๆที่เกาะขึ้นมาเป็นนามนะอันนี้มันก็ไม่ไไม่ได้แยกขาดนะ หรือว่าแตกต่างจากธรรมชาติภายนอกเลยมั น, เ ป, นเป็นเรื่องสภาวธรรมที่ลึกซึ้งนะที่ที่สามารถเจริญรู้ได้จากธรรมชาติพระอรหันต์หลายท่านนี่ท่านก็บรรลุธรรมจากการที่ได้เห็นความเป็นแปลงธรรมชาติเห็นดอกบัวที่ร่วงโรยนะท่านก็เข้าใจเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วทำให้ท่านเนี่ยเข้าใจ ความเป็นอนิจจังนะของสังขารที่ก่อขึ้นมาเป็นตัวท่านไม่ว่าจะรูปหรือนามก็ตามเห็นดอกบัวก็เห็นความจริงเกี่ยวกับกายและใจนะเกี่ยวกับรูปและนามเพราะฉะนั้นเนี่ยนะการการที่เราม า, าช่วยกัรรักษาป่ามาฟื้นฟูป่ามาปลูกป่าเนี่ยนะจึงบอกว่า ก็เป็นการสานต่อเจตนารมณ์ของหลวงพ่อเป็นการสืบทอดมรดกทำหลวงพ่อก็ทิ้งป่าสุกโตแล้วก็ป่าภูหลงเอาไว้ให้เป็นมรดกของเราเราก็มีหน้าที่สืบต่อนอกจากเอามาใช้ประโยชน์แล้วเนี่ยท่านก็ไม่ได้เรียกร้องคาดหวังนะให้เราไปรักษาแต่ว่าท่านรักษาป่า สุก็โตและคูหลวงเพื่อให้เราได้ใช้ประโยชน์แต่เมื่อพวกเราได้ใช้ประโยชน์แล้วเนี่ยก็ควรถือเป็นกิจที่จะรักษาเอาไว้ส่วนคนที่อาจจะไม่ได้มาสนใจเรื่องการปฏิบัติธรรมหรือว่าไม่ได้เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อมาเขียนเนี่ยการที่เรามาปลูกป่ารักษาป่าไม่ว่าที่ไหนก็ตามนะก็ถือว่านะเป็นการแสดงความกตัญญูนะ ต่อธรรมชาติเพราะว่าทาั้งเนืทั้งตัวเราเนี่ยทั้งกายและใจเนี่ยนะมันก็ลวนแล้วแต่เป็นนิบุนคของธรรมชาติร่างกายเราประกอบไปด้วยดินน้ำไฟลมหรือว่าถ้าพูดในทางวิทยาศาสตร์ก็ประกอบไปด้วยธาตุต่างๆมากมายจะเป็นคาร์บอนแคลเซียมออกซิเจนเหล็กแมกนีเซียมโพแทสเซียมพวกนี้เนี่ยมาจากไหนมันก็มาจากธรรมชาตินะ ทั้งจากอาหารทั้งจากน้ำแล้วก็อากาศที่เร า, ารับเข้าไปแล้วก็ถ่ายเทออกมาไม่มีอะไรในร่างกายของเราเลยที่ไม่ได้เป็นผลิตผลจากธรรมชาติจิตใจของเราก็เหมือนกันนะจิตใจของเราเนี่ยมันก็แยกขาดจากธรรมชาติไม่ออกนะคนเราเนี่ยถ้าได้ใกล้ชิด ก, กับธรรมชาติเนี่ยก็จะมีความสดชื่นถ้าห่างจากธรรมชาติก็จะห่อเหี่ยว คนที่ป่วยเนี่ยนะคนป่วยที่ผ่าตัดแล้วก็กำลังพักฟื้นเนี่ยมันมีความแตกต่างชัดเจนนะระหว่างคนที่เขาได้เห็นธรรมชาติขณะที่นอนอยู่บนเตียงกับคนที่ไม่ได้เห็นธรรมชาติเลยไม่ใช่แค่ธรรมชาติที่เห็นทางหน้าต่างนะแม้กระทั่งเป็นธรรมชาติที่เป็นภาพโปสเตอร์ที่ติดอยู่ตาผนังเนี่ยเขาพวกมันมีความแตกต่างชัดเจนนะคนที่ป่วยนะจะฟื้นตัวเร็วถ้าเกิดได้เห็นธรรมชาติ นะจากทางหน้าต่างก็ดีหรือว่าจากภาพที่ติดเอาไว้ในฝาผนังนะมันแสดงให้เห็นเลยนะว่าคนร้อนนี่มีความผูกพันกับธรรมชาติมากถ้าได้อยู่ทําการธรรมชาตินะอยู่ในใกล้ๆพื้นที่สีเขียวเนี่ยไอ้โรคต่างๆเนี่ยก็จะเกิดขึ้นเบาบางมากอย่างที่พูดไปแล้วเมื่อเช้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคเบาหวานไมเกรนโรคซึมเศร้านะโรคหอบโรคหืดพวกนี้มันจะลดน้อยลง อันนี้เกิดจากการที่เราได้ได้เห็นนะได้สัมผัสธรรมชาติแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะนะนอกจากเห็นแล้วก็ได้สัมผัสแล้วเนี่ยถ้าเราได้ทําอะไรเกี่ยวข้องกับธรรมชาติเช่นได้ปลูกต้นไม้นะได้รดน้ําต้นไม้เนี่ยจิตใจที่ห่อเหยียดของเราก็จะสดชื่นขึ้นมาร่างกายที่มันไม่มีชีวิตชีวามันก็จะมีเรี่ยวมีแรงขึ้นมานะก็ เ, เคยมีการศึกษาวิจัยพบว่า คนแก่บ้านพักคนชราเนี่ยซึ่งอายุมากๆสักแปดสิบเก้าสิบเนี่ยหลายคนนะส่วนใหญ่นะเปรเพว่าหอเฮียวนะชีวิตเนี่ยไม่มีเหมือนกับไรจุดหมายแล้วเพราะว่าเมียก็ตายนะเพื่อนร่วมเพื่อนร่วมชั้นเรียนนะก็ต่างก็ล้มตายกันใครที่มีอายุยืนมากที่สุดเนี่ยจะเป็นคนที่เหงามากเลยและยิ่งในเมือง น, นอกเนี่ยลูกหลานเขาก็ไม่ค่อยได้อยู่กับพ่อแม่หรือ ปู่ยาตายายนะต้องอยู่คนเดียวถ้าเมียตายเนี่ยหรือผัวตายเนี่ยคนที่เหลือเนี่ยจะอยู่แบบเหงามากเลยสุดท้ายก็ต้องมาลงเอยที่บ้านพักคนชราเพราะว่าลูกหลานเนี่ยไม่มีปัญญาที่จะดูแลนะทั้งวันทั้งคืนกนะ็ต้องมาที่บ้านพักคนชราแ ล, แล้วคนเหล่านี้ก็จะง่อยถึงแม้มีอาหารกินครบสามสามมื้อนะมีมียานะที่ดูแลร่างกายอย่างดี นะแต่ว่าก็ไม่มีชีวิตชีวานะพวกนี้ก็จะอยู่แบบไม่รู้ว่าจะอยู่ไปทําไมรอวันตายบางคนก็นอนติดเตียงมางนก็ไม่พูดไม่จาอะไรหนะ้มองเหมือ่อยบางทีก็มองไปที่เพดานบ้งแต่พบ ว, ว่าพอชักชวนเนี่ยให้ให้ปลูกอไม่ให้ปลูกให้ลดน้ําต้นไม้เอากระถางต้นไ ม, ม้มาวางไว้ในห้องนะแล้วก็ให้ลดน้ําต้นไม้ด้วยตัวเอง วันะละครั้งสองครั้งแล้วก็เทียวกับคนที่บ่วยมันเป็นคนชราเหมือนกันนะเอากระถางต้นไม้ม า, มาวังไว้ในห้องเหมือนกนะันแต่ว่ามีคนมาช่วยลดน้ำให้นะกลุ่มหนึ่งเนี่ยลดน้ำเองอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยมีคนมารดน้ำให้ปรากฏว่ากลุ่มที่รดน้ำเองเนี่ยนะสุขภาพดีขึ้นกินยาน้อยลงไม่ว่าจะเป็นยาลดซึมเศร้ายา ปฏิชีวนะนะแถมอายุยืนกว่าด้วยนะอายุยืนกว่ากลุ่มที่สองนะซึ่งมีต้นไม้อยู่ในห้องจริงแต่มีคนรดน้าําให้การรดน้านต้นไม้ด้วยตัวเองมันทําให้เกิดความสึกผูกพันนะเกิดความเชื่อมโยงสัมพันธ์นะกับต้นไม้อย่างน้อยก็รู้ว่าอยู่ไปเพื่ออะไรนะมีความยินดีมีความสุขที่ได้รดน้าต้นไม้ด้วยตัวเองนะ อันนี้มนแสดงให้เห็นเลยว่าคนเราเนี่ยกายและใจเนี่ยมันมีความผูกพันเชื่อมโยงกับธรรมชาติมากนะการที่เรามาปลูกป่าเนี่ยมันก็เหมือนก็เป็นการมาสารต่อสายใหญ่ของความผูกพันเชื่อมโยงระหว่างเรากับธรรมชาติหลังจากที่มันขาดสับบ้านหรือว่าเบาบางเต็มทีนะจากชีวิตในเมืองนะมาเข้ามาในป่านะแม้แดดจะรอ้อนแม้ทางจะไกลนะแต่ว่า มันจะมีผลต่อจิตใจของเรานะถ้าเราทํำบ่อยๆเนี่ยจะพบว่าจิตใจของเราเนี่ยจะมีความชุ่มชื่นมากขึ้นนะไม่หอเหี่ยวไม่แห้งผากนะก็อยากจะให้ระลึกตรงเนี้เไว้นะกลับไปในเมืองเราก็พยายามเราก็สามารถช่วยรักษาใจเราให้ชุ่มชื่นได้นะจากการที่เราได้ทําอะไรดีๆให้กับธรรมชาติหรือว่าได้อยู่ใกล้ชิกับธรรมชาติบ้างอันนี้แหละก็เป็นการ ส่งเสริมรักษาธรรมในใจของเราหรือว่าเป็นการปลูกต้นไม้ในใจเราได้เหมือนกันอ่ะครานี้กับเท่า น, นี้นะกลับ